พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่า น, านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าไม่ต้องสงสัยตายแน่ๆนาวันนี้เป็นวันที่23า มีนาคมพุทธศักราช 2,560 พวกคณะสถาญาติโยงคงจะแปลกใจเพราะหลวงพ่อลงมาคราวที่แล้วหลวงพ่อว่าเออเดือนมิเดือนมีนาเนี่ยหลวงพ่อคงจะไม่ได้ไม่ได้ลงมาและก็คงจะเมษาด้วยเพราะว่าเป็นงานวันเกิดของหลวงพ่อวันที่27เมษาหลวงพ่อคงไม่ได้ลงมาสองเดือนนะลูกหลานนะแต่ถึงยังไงก็ขอฝากไว้กับ ลูกหลานทุกคนผู้อยู่ทางกรุงเทพเป็นภาคป่าสุดท้ายของเดือนมีนานและเดือนเมษาให้พวกเราปฏิบัติเหมือนกับพวกเราเคยปฏิบัติกันมาทุกครั้งทุกคราวนั่นแหละแต่หลวงพ่อคงไม่ได้มาลงมาเพราะว่าวันที่26อาทิตย์สุดท้ายของเดือนหลวงพ่อจะได้ไปงานคบเรอบของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ํา อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเป็นวันครอบรอบทําบุญวันมรณะภาพของคุณแม่หลวงพ่อคงไม่ได้ลงมาแล้วกับวันที่20เดือนเมษาเป็นวันเกิดของหลวงพ่อนะศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกปีที่ผ่านมาก็เห็นศรัทธา ญ, ญาติโยมเข้าไปเกี่ยวข้องมากหลวงพ่อคงไม่ได้ลงมาแต่ถึงยังไงก็ให้ฝากไว้กับลูกหลานทุกคนเนอะทางนี้ก็ให้ ดำเนินไปตามปกติเพื่อบำรุงสวนแสนธรรมของเราแต่แล้วทาไมหลวงพ่อจะได้ลงมาคราวนี้ที่หลวงพ่อบอกแล้วจะไม่ได้ลงมาก็เพราะว่าเนี่ยที่หลวงพ่อไปฉันจิตโพจนาปากเมื่อคราวที่แล้วคุณวันเพนผัญญาของคุณหลวงที่เจ้าของบ้านแต่คุณหลวงก็จากไปได้ สามสี่ปีหลังลงตาไม่เท่าไหร่แต่หลวงพ่อลงมาลงมาคราวที่แล้วไปฉันที่บ้านจิตโภชนาปากเสร็จแล้วก็ลูกชายก็พาหลวงพ่อไปเยี่ยมเยียนที่ว่าแม่ป่วยอีกบ้านอีกหลังหนึ่งหลวงพ่อก็ไปเห็นเออแต่ลูกชายเขากระชิบกระซาบเหมือนกันบอกว่าโยมแม่เป็นหมอมะที่ไขสันหลังโ อ, โอ้คงจะปวดมากอะหมอมาตัวเนี่ว่า หลวงพ่อก็ไปเหตุกันท่านสดซึ่งแจม่มชัยก็เหมือนกับไม่มีอะไระจากนั้นก็เขาข อ, ข อ, ขอให้หลวงพ่อถ่ายรูปสักรูปเอาไว้ทั้งหลาดทั้งลูกทั้งหลานทั้งผู้เกี่ยวข้องแต่หลวงพ่อก็ได้อยากกล่าวย้ำเตือนว่าคุณโยมให้ภาวนาเนอให้รวบรวมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะมีมันก็ต้องมีอะไรจะเป็นไปนก็ต้องเป็นไปเพราะเราอยู่ในกฎอลนจางทวกขังอนัตตาแต่ถึงยังไงบุญกุศลที่เรารวบรวมได้ทำมามากน้อยแค่ไหนให้นึกถึงบุญกุศลแล้วก็รวบรวมเหมือนกันรวบรวมเงินที่เราได้อยู่ในบัญชีต่างๆให้มารวมเข้าอยู่ในบัญชีเดียวกันข่าวนี้ครั้งนี้อะไรจะเกิด แล้วเราก็ไม่มั่นใจในชีวิตให้โยมคิดอย่างนั้นนะเนอท่านก่อนยิ้มแย้มแจ่มใสแต่หลวงพ่อก็ขึ้นไปพ่อขึ้นไปทราบข่าวทั้งลูกชายเขาก็อบอกกล่าวขึ้นไปทั้งโน้นหลวงพ่อก็ได้รับเขาเอาโทรศัพท์มาให้เขาก็ให้แบบโนทะ ร, รศัพท์แบบมองเห็นหน้าอหลวงพ่อก็โอ้ตายมีจะสายให้ลวงตุงนางท่านมียังมีส ยังมีความรู้สึกอยู่ไหมบีอยู่ครับลูกชายเขาบอกเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะขอพูดกับคุณโยมหน่อยอหลวงพ่อเออคุณโยม อ, อข่าวนี้นะเดี๋ยวถึงจะเป็นข่าวสุดท้ายกว่าเถอะนะต้องเตรียมพร้อมนะที่นี่นะเ อ, อเมื่อเราจะเดินทางไกลน่ะต้องเตรียมวีซ่งวีซ่าเตรียมอะไรทุกอย่าง่เข้ามาสู่จิตใจต้องเข้มแข็งนะ อ, ออะไรจะเกิดมันต้องเกิดเ อ, อให้ระลึกถึงบุญกุศลที่คุณโยมได้ทําไว้นั่นแหละ เอ่ขาวนี่เป็นขราวราวนี้ตาข่าข้าวหน้าตาเองทุกคนมีข่าวมีตาของใครของเราทั้งหมดเพราะนั้นโยมไม่ต้องสะทกสถานบันไหวนะให้ให้น่ ล, ลึกถึงบุญกุศลนะประกอบคุณงามความดีเรื่องร่างกายให้เป็นหน้าที่ของลูกของหลานของหมอเขาไปผูด้ดูแลตัวส่วนจิตใจนั่นนะให้ดูให้ดูตนเองนะให้มองตนเองนะจะให้จิตใจไปทางอื่นนะให้นึกโพดโทไว เราเลึกถึงคุณงามความดีไปเน้อรวบรวมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเน้อคุณโยมเน้ออาตมาเองก็เมตตาส่งกระแสจิตกระแสใจมาให้มาหานี่แหละก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยได้มากกว่านี้แต่ตัวเองนั่นแอลต้องดูตนเองเน้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะในโลกนี่นคนที่ผ่านมาของมากมายมหาศาลผู้ที่จะตามหลังเรามาก็มีอีก หลวงพ่อก็สั่งเท่านั้นแหละเขาคน น, นากร็รู้สึกจากนั้นหลวงพ่อก็ได้นั่นพอไม่นานท่านก็ได้ถึงข่าวมรณะาอเสร็จแล้วก่นหลวงพ่อโ อ, อ้ท่านก็มีคุณูปการกับวัดวาศาสนากับครูบาอาจารย์ตั้งแต่คุณหลวงมาเนะนี่แหละแต่นี้มาพูดถึงอีกช่วนหนึ่ง หลวงพ่อเองก็อยากจะแจ้งข่าวบอกกล่าวให้กับคณะรัต ย, ยาญาติจุมถึงจะเป็นกลุ่มน้อยก็ควรจะรับรู้รับทาราบเบาไว้ว่า เ, เดือนเมษาเนี่ยหลวงข้อคงจะมีประวัตินะประวัติหลวงพ่ออินแต่ให้คอยดูว่าประวัตินันจะเป็นยังไงแต่หลวงพ่อกขาบอกจะไปเขียนแบบยักษชกแม่น้ำทาง 5, าห้ามาหามันเบิกเกินไปน ะ, ะแต่ตามไม่จริงความเป็นมาของหนังสือประวัติ หลวงพ่อก็มาตั้งแต่คุณหลวงอสมัยลงตายังอยู่เขาก็เขียนเกี่ยวกับบอกกล่าวคําบอกเล่านะอหนังสือของคุณหลวงพวกเราคงได้รับทั้งหมดไปทั้งสิบเล่มนะคุณหลวงเขียนไปสิบเอ็ดเล่มก็ไม่ทราบนะเขาก็เขียนพอจงตาจุติที่เรา่านไปแล้วเขาก็บอกว่าท่านอาจารย์ผมอยากจะเขียนอประวัติของท่านอาจารย์และเราทุกคนมันก็ต้องมีประวัตินั่นแหละ แต่มาเอาเธออย่างไม่ถึงอยา่าเพ่ปถึงคราวอย่าเพิ่ ง, งคุณหลวง เ, เดี๋ยวอายคุณพรอาจารย์เ อ, อพอต่อมาถ้าก็ขออีกท่านอาจารย์ผลเราก็ต้องมีประวัตินั่นแหละเ อ, อไม่มากก็น้อยผมจะจะเขียนเ อ, อเล่าประวัติของท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์พูดก็ดูๆแล้วก็ในแทปแล้วก็กอหน้านั้นอยู่แต่ถึงจะมากก็ น, น้อยผมก็จะกลับหมู่คณะหลงพอเอออย่าอ่าอย่าเพิ่งเขียนคุณหลวงเอาไว้ก่อนเ อ, อ แต่นี่ก็เพราะอาตมาเองก็ได้ยินสมัยที่อยู่กรบองค์หลวงต า, ามีผูบาอาจารย์ระดับผู้ใหญ่ท่านบอกโอ้หลวงตามหาปูวเขียนประวัติของปู่มันเขียนยังไง เ, เขียนยกเมฆลักษณะอย่างงั้นแะแต่หลวงตาเอา้าเาก็เขียนตามที่พ่อแม่ผูบาอาจารยา์บอกกล่าวาที่เราก็เขียนไปแต่ต่อมาท่านาพระอาจารย์องค์นั้นท่านก็เขียนประวัติของตนเองง ท่านหลวงตามหาบัวก่อนกำลนิใกลยๆยท่านก็ไม่ได้พูดจริงจังอะไรเอ๊ะการที่จะเขียนประวัติของตนเองนะ่ะถ้าไม่ยกย่องตนเองจะไปทำอย่างไงไอ้สิ่งไหนที่ตัวเองทําไม่ดีงคงจะไม่ออกมาพูดพูดแต่สิ่งที่มันดีอันนี้หลวงพ่อเองก็ได้ยินทั้งสองทั้งสองพระอาจารย์ว่านั้นหลวงพ่อจึงมาบวกลบคูณหารการเขียนประวัติตัวเองเอมันก็มีแต่ยกย่องแล้วก็ให้ตัวเมื่อตัวเองตายไปแล้ว เมื่อคนอื่นเขียนก็เขียนผิดเขียนถูกไม่คำนี้เราไม่ได้พูดนะคานี้ของเราเนี่ยเราไม่ได้กล่าวนะแา้วมันเขียนได้ยังไงไก็พร้อมที่จะตักเตือนได้เมื่อเขาเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่รู้เรื่องราวมันก็ดีทั้งสองอย่างอีกเหมือนกันนี่แหละหลงประวัติของหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันเพราะท่านเขียนอดร่้วไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่ต้องพิมพ์นะท่านก็บอกว่าอ้าวท่านอาจารย์หลวงปู่ไม่มั่นใจใน ในคำเขียนของหลวงปู่ใช่ไหมถ้าออกไปแล้วก็กลัวเขาจะแอบติชินเรีนทาอย่างนั้นใช่ไหมงปู่ไม่มั่นใจใช่ไหมในคำเขียนของหลวงปู่หลวงปู่ล่าบอกว่าทุกคำพูดทุกคำเขียนเรามั่นใจเรารับรองได้พอเราจึงเขียนลงไปเอาถ้างั้นหลวงปู่ควรจะพิมพ์เพื่อพิมพ์ออกไปแล้วเขาอยากจะถามจุดไหนอย่างไร เ, เขาจะได้มาถามหลวงปู่ได้เออเอา จุดแท้จะทําอินนะใสหลวงพุทธนะคุณอินนะไปถามคุณอินขอพ่อคุณอินเป็นผู้มาให้เราเขียนเพราะนั้นต้องไปถามต้นของเขาก่อนเพราะหลวงปูล่ลาเนี่ยเราไปฟังทีไรท่าน <S 2> <S 2> ประวัติหลวงปูล่ลาเนี่ยท่านพูดละเอียดทีท่วนดีแต่ให้เราเขียนเราคงเขียนไม่ไนด้ประวัติหลวงปู่เพราะนั้นหลวงพ่อเลยเอาไส้ปากกาเซฟเฟอร์แล้วก็กระดาษปกแข็งมาหมอห้อไปท่าน โหลเนึ่งแล้วทุดแท้แต่หลวงปู่มีเวลาก็เขียนให้ลูกให้หลานเพื่อเป็นประวัติด้วยเทิรผมพวกผมนี่คงเขียนไม่ได้ท่านก็จับเอามาไว้โอ้เป็นหลายเป็นปีๆเหมือนกันนะหลวงพ่อไปทีแรกก็ถามาพระที่ท่านขออัตรานาท่านให้เขียนด้วยเทิรต่อมาท่านก็เลยทนความรบร้อไม่ไหวท่านก็เลยเขียนประวัติในคำนำํานําำคนนั้นยังมีชื่อหลวงพ่ออยู่ แต่หลวงพ่อเขอบอกเออชื่อของอาตมาที่กาประรัษนาท่านเอาออกเถอะนะเขาห้อยนี่แหละตัวกุญแจดอกสําคัญเอาออกไปได้ท่านหรืออาชุดแท้แน่ น, นะถ้าผู้ใดได้อ่านประวัติหลวงปู่ล่ากาคงจะได้รับประโภทรับทรา บ, ร บ, ร บ, รบนี่แหะความเป็นมาของอประวัติทีนี้มาถึงหลวงพ่ออีกเลยหลวงพ่อก็ได้ห้ามตั้งสองสามครั้งเอาว่าเอาเถอะถ้าคุณหลวงจะเขียนผมจะเขียนให้ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางหรือท่านอาจารย์ เออเรากเา็เพราะเราเชื่อฟีมือคุณหลวงเขียนหนังสือมาทั้งสิบกว่าเล่มของหลวงตาแล้วก็พออ่านฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าก็ไปได้ดีก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกไปได้ดีอยู่เอาทะอนุญาตจะนั้นเขาก็เลยมาเขียนเพราะมาเขียนไม่นานคุณหลวงก็เลยตายบปเนี่พอตายแล้วหลงพ่อโอไม่ได้เะเขียนเอกมาเขียนประวัติหลวงพ่ออินเขียนปุยีปุยยำอ้อยไม่ได้หมด ทั้งพวกคณะที่เขาผิดว่ไม่ใช่ลบคุณหลวงสมัยก่อนกับพวกผมเ่ยเป็นกลุ่มเป็นคณะที่เขียนหนังสือให้คุณหลวงลุงหลวงคุณหลวงเป็นหัวหน้าแต่พวกผมเนี่ยเป็นผู้หา เ, เป็นผู้เขียนเป็นผู้หาข่าว เ, เพราะนั้นพวกผมขอทำต่อครับจะไปเขียนสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้านะครับผมจะทำทาไม่ดีนี่แหละคุณป้องคุณอะไรไอท้ทั้งสามีไอ้ทั้งปัญญาของคุณหลวงทั้ง ลูกนอกบริวารก็รับที่จะไปเขียนลหลวงพ่อเอือมอบกองไว้วางใจเขาเขียนมาสองปีกว่าน่ะเออเขาว่าจะให้ครบทันเก้าสิบสองเออหกเออเจ็ดสิบสองปีของหลวงพ่อนี่ย น, นะสิบสองหกเจ็ดสิบสองเนี่ยเมษาหน้าเนี่ยเออเขาเตรียมมาได้สองปีกว่าลหลวงพ่อเอือออให้เขียนเขียนดุ่งพอเขียนจบลงแล้วเขาก็เอามาอ่านกัน <c oughs> เออในในกลุ่มของเขา อหลวงพ่อก็ให้คนของคนหลวงพ่อยางคุณหมอเพ็ญศรีเนี่ยอที่อยู่กับคุณแม่ชีแก้วเอาไปอ่านว่าที่คุณหมอเขาเขียนเป็นยังไงหลวงพ่ออ่านหลวงพ่อมีภาระมากหลงพ่อไม่ไม่จากอ่านประวัติตัวเองหรอกตรงเองรู้กับตัวเองอยู่พอแรงแล้วนะเนี่ยเอาจะเขียนเออฟังฟังว่าที่มันเป็นยังไงเออเดี๋นี้ก็จบแล้วก็นันคุณวันเพ็ญ น, นี่นะอหนังสือประวัติ เล่มนี้เป็นเป็นเครื่องก่อตั้งขึ้นมาจากคุณหลวงดิฉันขอถวายสองล้านนะถวายพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะหลวงพ่อก็ได้ยินข่าวนะจากนั้นก็ต่อมาคุณหมอเป็นสีท่านก็เอาไปอ่านอ่านแ ล, แลเออถ้าไปพิมพ์ที่พีม่านะดิฉันทำให้เป็นไปพิมพ์ที่อื่นดิฉันจะให้หนึ่ง0สนถ้าไปพิมพ์ที่พีมา่าดิฉันจะให้สองแสนผลที่สุดท่านก็ให้ห้ 0,000 อแต่นี่คือเขาต้องการกขบประมาณสามล้านหนังสือเล่มนี้นะอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังแต่หลวงพ่อก็ได้ยินได้ยินหลวงพ่อไม่ได้นั้นหรอกเพะไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อเรื 3, 000, 000 him, uh, ่องธรกเรื่องทุนอะไรนะแต่บางคนก็มาขออีกเหมือนกันหลวงพ่ออขอจองหนังสือเล่มเล่มละเท่าไหร่เออได้ยินเขาว่านะเอเกินพันนิดๆก็หย่อนพันหน่อยๆแต่ก็นั้นประมาณพันเอาเทานั้นขอจองสักสิบเล่มไม่ได้ไม่จองกับหลวงพ่อไม่ได้ละ ถ้าจองก็ลงพอ่อลงพ่อจะตีราคาเล่มละหมื่นวะทําไมหลงพ่อเอาถ้าหาว่าสูเจ้าเจ้าเล่มละพันเนี่ยไปขายเล่มละพัน 2, 000, 5, สองพันห้าเนี่ยซูได้เอากําไรไปกินอีกเนีไม่ได้ท่านเล่มละหมื่นคงจะไม่มีใครซื้อกว่าออแต่ลงพ่อไม่เอาหรอกลงพ่อไม่ยุ่งด้วยสูแท้แต่สูและ่ะสูเจ้าจะเอากันเองแต่ลงพ่อพิตกกังวลอย่างเดียวเท่านั้นออถ้าพิมพ์ปกแข็งขึ้นมาปกอ่อนขึ้นมา แล้วคนนึ่งได้ปกแข็งคนนึ่งได้ปอกอ่อน่จะมาทะเลาะกัน อ, อีะกะหลวงพ่อมาเหตุความสําคัญกับเราให้คำความสําคัญกับคนอื่นนี่แหละมันเรื่องอะไรมันจะต้องเกิดขึ้นเอหลวงพ่อก็อ น, นักเมือนกันอางจะให้หลวงพ่อแจกวเอวันนั้นสัทธายา่าดูองคลูกหลานทุกคนนะให้ฟังเอาไว้ว่าเมษาี่ยคงจะมีประวัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าหลวงพ่อไม่พูดได้กล่าวล่วงหน้าไว้ก่อนนะลูกหลานไม่รู้นะ เอ็นังสือประวัติเล่มนี้เป็นมาอย่างไรหลวงพ่ออินของใหญ่อยากดังอยากเด่นมากแจึงได้เขียนประวัติของตนเองเออพราะนั้นหลวงพ่อจังพูดกล่าวให้พวกเราได้รับรู้รับทราบล่วงหน้าไว้ก่อนว่าคนเราต้องมีประวัติอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยศิริราชเขาไปรักษาศีลเป็นกลุ่มนะหลวงตาครับ<ล>ไปที่วัดป่าบันตาหลวงพ่อยังจำไม่ลืมหลวงตาครับผมจะได้ประวัติหลวงตา ให้หลวงตาเขียนประวัติให้พวกผมด้วยเอ้ยหาจุ่งเราไม่มีหรอกอประวัติเอาเอาเยอะย่อก็ได้ครับหลวงตาเออเอาถ้าเยอะย่อพอไหวพอได้หรอกเอานั่งฟังเออเมื่อเช้าเนี่ยหลวงตาเนี่ยตื่นขึ้นมาเออ้นมากันไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนาหน่อยหนึ่งแตรคุข้างหลวงตาก็ออกมาออกมาแล้วก็ออกมาอะไรกันนึ่มาสารานี่ก็ไปบินถวัตพอบินถวัตกลับมาก็มาฉัน ก่อนที่ฉันก็ให้พรก่อนพอให้พรเสร็จแล้วก็เยลยมาพูดกับลกูกหลานเนี่ยเอาขนาดนี้พอไหมหลวงพ่อได้ยินออใช่อันนี่เป็นประวัติเหมือนกันหะือเปล่านี่แหละลงตาท่านพูดนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดให้ลกูกหลานได้ฟังทุกคนกต้องมีประวัติประวัติยังไงอันนี้ก็เป็นจุดแท้แต่แต่ถ้าว่าเขาพิมพ์มามันเวอร์เกินไปหรือว่าเกินไป เ, เราก็เป็นเจ้าของประวัติกับของเอ้ยตัวนี้มันเกินไปเลยถอนออกว่าะ ก็คงจะพู ด, ดนะ อ, อย่างนั้นได้นะและอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อเองอยากจะเล่ากล่าวให้กับพวกคณะทายาิโยมได้รับรู้รับทราบอีกเหมือนกันเรื่องเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาหลวงพ่อเองก็วิตกกังวลไปพวกเวียนเวียนเมื่อวา น, นาก่อนที่จะมาขึ้นเครื่องนะก็ได้ไปเยี่ยมตอกเสาเข็มได้เดี๋ยวนี้ได้ห600้อยกว่าต้นแล้วนะในพันส้าต้นนะ่ะได้6้อร้อกว่าต้นแล้วนะ ที่ตอกเมาาื่อวานนี่ก็ไปเป็นไปได้ดีต่อไปนี่เขาคงจะหาบริษัทที่รับเหมาเต็นเป็นบริษัทแต็นี่ก็เซ็นสัญญาขนาดแล้วเรื่องตอกเสาเข็มผลิตเสาเข็มประมาณ32สองล้านนะแล้วก็บริษัทควบคุมงานอีกก็ว่าจ้างไปแล้วเซ็นสัญญาแล้วสิบหกล้านหกแสน แ, แปลว่าบริษัทคุมคุมงานได้บริษัทนะทรัพย์สินเนี่ยนะ ที่เคยทำงานกับทรัพย์ินะบริษัทสตอนเฮนนะมีมีวิศวะสถาปนิกประมาณ7หรือ8คนที่จ้างเนี่ยก็อุ่นใจในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องการเงินก็ยังไม่ได้ออกมาใช้ต่ต่อไปนี้ก็คงจะหาบริษัทใหญ่หญที่เอามาทำงานลงตาือเราทำเป็นระบบให้บริษัททำเลย เ, เราไม่ได้หาคนเท่ากับพวกไรใคร อยากจะไปทปําบุญ เ, เราก็รู้อยู่แล้วงานวันหนึ่งคนหนึ่งทํำไรคนละสามร้อยบาท เ, เราก็ไปเออข้าพเจ้าจะทํางานกี่วันเอากี่แรง เ, เราก็หยอดตู้ลงตาไปเลยแปลว่าสามร้อยก็ได้แรงหนึ่งหกร้อยก็ไดสองแรงเก้าร้อยก็ไดสามแรงเนี่แหละเอาแรงเอาแรงเงินเข้าไปเลยไม่ต้องอกงอกกาแรงกกําลังกายถ้ากําลังกายเข้าไปเนี่ยเดี๋ยว เครื่องไม้เครื่องมือหล่นสหัวอีกต่างหากเราก็ไม่เคยทำการทำงานเรามีแต่นั่งโต๊ะเขียนหนังสือแต่เราจะไปทำงานเรียกไปเย็บสุมสม่มซ้ำไปตกนั่งลานเขาอีกต่างหากเราเอาเงินไปช่วยไปจ้างไปร่วมทำบุญนะจะดีกว่าหลวงพ่อวาดเพราะนั้นขอแจ้งข่าวให้กับท่านจตหาญาตรโยมลูกหลานทุกคนเจดีย์ของหลวงตาก็ไปได้เรื่อยๆอ ย, อยู่ก็ยังไม่มีอุปสรรคอะไรหรอก ถึงยังไงก็เราทำเพื่อบูชาพราะคุณหลวงตาไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นแต่ถึงยังไงก็นี่แหละย้อนมาหาคุณวันเพลินมรนังเมภวิสติวันนี้นะหลวงพ่อฉันยังหานเสร็จแล้วประมาณชักบ่ายสองหลวงพ่อก็คงใจไปพระราชทานเพลิงคุณยมแล้วก็เขาก็จะมุนเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็คงจะได้ปา่าลบธรรม เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละ เ, เสร็จแล้วหลวงพ่อจะได้กลับมานอนที่พักที่สวนแสงธรรมและก็พรุ่งในเช้าจะออกแต่เช้ามืดนะออกตั้งแต่ตีต 4, ตีห้าไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองจากนั้นก็จะได้ขึ้นไปลงที่ขอนแก่นแล้วก็จะมีไปชุมมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นที่โรงพยาบาลศรีนครินไปหาทุนที่จะทอดผ้าปานั่นแหละ เพื่อหาทุนเพื่อดูแลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หมู่นิธิหมู่นิธิขออภิบาลสงฆ์จากแล้วตอนเย็นพอประชุมเสร็จหลวงพ่อก็ไปนู่นไปมุกดาหารงานของคุณแม่ชีแก้ววันที่ย4สบวันที่ยี่้าก็สวดมนต์เย็นวันที่26ก็ตักบาตรตอนเช้านี่แหละสาระกิจของหลวงพ่อนะศรัทธาญาติโยมแต่ถึงยังไงก็ตามนะเออหลวงพ่อถึงจะไปยังไงยังไงหลวงพ่อก็ยัง ให้พวกเราทนทั้งหลายทั้งรวมทั้งหลว ง, ลวงลวพ่อด้วยมั น, นังเมภาวิสติให้คิดเอาไว้ชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายแน่ๆอีกสักวันหนึ่งแต่ก่อนที่จะตายนั้นเราได้ประกอบคุณงามความดีได้สังสมบุญกุศลอะไรเป็นที่เป็นเครื่องอุ่นใจบ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องย้อนดูโอปัญญิกมองดูตนเอง อย่าไปคิดว่าตายแล้วสู่นะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลไวเนออย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็ต้องเดินไปตามอา จ, จารย์เจริญคุณวันเพนคุณโยมวันเพนที่หลวงพ่อจะไปวันนี้หละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หลวงพ่อไม่ได้เอาความตายมาขู่กันนะอย่าไปคิดว่าเอาความตายมาขู่กันเอาความตายมาเล่าให้กันฟังให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแน่ๆไม่ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ให้คิดไว้ดีกว่าไม่คิดถ้าเราไม่คิดนะลูกพ่อเราจะชราใจจะนอนใจเกินไปจะลุ่มหลงในโลกวัะสงสารไม่สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าพวกเราได้คิดไว้เออข้าพเจ้าเนี่ยไปแน่ๆ น, นะ อีกสักวันหนึ่งอย่างหลวงพ่อมายืนอยุ่จุดนี้นะอายุอายุเจ็ดสิบเอ็ดย่างเจ็ดสิบสองปีเนะี่ยรอบรอบร้านหลวงคอหลพ่อเองหลวงพ่อมองมองไปในทิศทางใดอญาติโกโอติกาศร้าญาติโยมเหมือนกับใบไม้ร่วงนะลูกหลานนะคณะศรธาญาติโยมนะ่ะเหมือนกับใบไม้ร่วงเดี๋ยวก็หล่นปุ๊บเดีวก็รวนปั๊บเดี๋ยวก็หล่หลนนั้นเดี๋ยวก็หล่นนี่เพราะมันเป็นโอกาสที่จะหล่นแล้วอายุมันเจ็ดสิบกว่านะเออ ควเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นคณะศรัทธาญาติโยมรุ่นราข่าวเดียวกันเนี่ยนี่แหละอีกสักวันหลวงพ่ออิน์ก็จะหล่นอีกกับเขาอีกเหมือนกันไม่ต้องสงสัย เ, เพราะฉะนั้นพวกเราให้ประกอบบุญงามความดีให้ดูตนเองให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนั่นแหะจุดนั่นแหละสําคัญ เ, เมื่อขึ้นข่าวนั้นแหะใครได้ทุนได้กับนะได้ทุนได้บุ ญ, ไ ด, บญได้กุศลได้ทุนทรัพย์ติดตัวติดใจไปประโลภภัยภาคหน้าได้มากได้น้อย นั่นแหละหน้าที่สุดท้ายหายใจเฮือกสุดท้ายนะ่นเป็นที่รู้กันเป็นรู้เป็นที่รู้แก่ใจของตนเองถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะให้ผลผล น, นั้นกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้พุธสร้างบุญสร้างคือสเข้าสู่จิตใจนะ่าเลิศประเสริฐนะอ่ะ<ม>ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมนทนาให้พรรับพรในเสน่ห์นะ